เป็นปีที่18น้อมรำลึก80ปีชาตการหลวงพ่อทูลคิปปัญโยอีกด้วยนะเป็นงาน เ, าเพราะว่าถึงยังไงงานสงระทาศหลวงพ่อทูลของเราท่านให้ความสำคัญอย่างมากทำไมเมื่อท่านยั ง, งทรงธาตุขันอยู่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 เพราะนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อตาหาว่ารับนิมนต์คงจะไม่ได้อยู่วัดหลวงศรัทธายาิโยม เ, เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็รู้สึกว่าที่ผู้มีอายุพันศานะคงจะมีไม่มากและก็พร้อมกันคงจะเป็นบุญบา ร, รมีของหลวงปู่เหลียน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 เป็นทุกปีเพราะนั้นคณะจตหายาจมลูกหลานวันนี้หลวงพ่อเองเข้ามาเห็นคณะจตหายาจมแล้วก็อุ่นหนาฝาคั่งในงานของหลวงพ่อทูนของพวกเราาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อได้ปรารพเรื่องงานแล้วก็ขอต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมในะนะที่นี้นะแล้วก็คณะจตหายาจมลูกหลานผู้ใดถ่ายรูปนี้ที่มีแฟดก็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 เป็นมกันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะสัตย า, ญญาติโจมมีท่านอาจารย์พรชรเจ้าวาดและท่านเป็นเจ้าคณะอำเภออำเภอบ้านผือร อ, อ, องลงมาจากทาหน้าที่ได้รับเป็นเจ้าวาดแทนองหลวงพ่ อ, พ อ, พ อ, พอทูลของพวกเราท่านได้ทำหน้าที่มาโดยตลอด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 กับฤาษีสองท่านเมื่อเมื่อท่านคิดดูแล้วฤาษีสองท่านก็พึ่งมรณะภาพไปใหม่ๆหมัดมาดพระ อ, องค์ก็โอท่านหมดโอกาแออสแล้วฤาษีทั้งสองท่านด า, าราดบุตรุกาดาบทจากนั้นท่านก็มองไปหาปัญจวัคคีทั้งห้าจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เดินไป เดินทางไปถึงกรุงพระเมืองพารานสีไปถึงป่าอิสิปตนามิกคาทยาวันจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาปโปรดปัญจวคี์ทั้งห้ากล่าวถึงธรมรมประจักษ์กปวัตนสูตรจากนั้นก็อนัตตลกนัสุูตรสองสูตรปัญจวคีร์ทั้งห้าก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูป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 แต่ก่อนที่จะเข้าไปไปไ ป, ไปโปรดกรุงราชกุศลนะท่านก็มองว่ากรุงราชกุศลในพะระเจ้าแผ่นดินหรือกรุงชาวกรุงราชกเนะ่เขาให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสผู้ดใดท่านก็มองเห็นว่าเออพวกพระเจ้าแผ่นดินหรือกรุงราชาคุศลเนะี่ยเขาให้ความสำคัญเขาให้ความเคารพในฉลินสามพี่น้องอุลุเวลานาทีขยากัสปะ สพี่น้องเป็นฤาษีที่ตั้งสำนักอยู่ที่กรุงราชคฤหนะ์เนี่ยพระองค์ท่านก็ ว, วางแผนเหมือนกันนะคณะจาจัรย์ญาติโยมลูกหลานนะก่อนที่จะไปโปรดท่านผู้ใดนะท่านก็ ว, วางแผนเหมือนกันจากนั้นท่านก็ได้เข้าไปโปรดชดิน3มพี่น้อง3พี่น้องหนึ่งคือโอรุกเวลาคจปาเนี่ยมีมีบริวารถึง500าร้อนาทีคจปะ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 พระเจ้าพิมพ์พิสารที่ปกครองกรุงราชคสอุอก็เข้ามากราบมากราบฉดินพอมากราบฉดินฉดินสามพี่น้องเนี่ยก่อนพบตรงพาฉดินสามพี่น้องเข้าไปกรุงไปในเมืองกรุงราชคสกุ อ, อพอไปแล้วพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยอก็กระด้างกระเดืองเหมือนกันเ อ, เอ้สิทธะไ <c oughs> อพุทธเจ้าเนี่ยพระโคตมะ <c oughs> พุทธเจ้ากับชดิน ใครเนะเหนือกว่ากันนะเพราะเขาเคารพฉดินมากกว่านะตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่นมนานมาแล้วนะแล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้ากับสิทธัตถ์กับฉดินสามพี่น้องเนะี่ยใครจะเป็นอาวุโสและใครจะเหนือกว่ากันนะพระพุทธองค์รู้วารจิตของพระเจ้าพิมพ์พิสารกับบริวารทั้งหลายพระพุทองค์ก็บอกว่ า, วาเอ อ, อรู้เวลา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 ทั้งสมพี่น้องนะก็ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะแต่พระพุทธองค์ได้แสดงโปรดจดินสามพี่น้องนะท่านแสดงเรื่องอเดตะปริยายสูตรนะแต่ว่าเมื่อท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสามพี่น้องแล้วขั้นก็มาโ ป, ปรเปดเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จากนั้นพระเจ้าพิมพ์พิสารก็เคารพนับถือเลื่อมใสและแล้วก็ถวายวัดป่าเวลุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศา ส, สนาคือชาติว่าไปเลยเหมือนกับสวนลมพินีหรือว่าสวนรอเก้าอย่างนั้นคือเป็นสวนประจำประจํากรุงราชสกุ ร, ร์แล้ว่ากรุงสวนป่าไม้ไผ่สวนเวลุวัน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 เอตังพุทธานศาสนังนี่คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะนั้นการที่พระพุทธองค์จะบัญญัติวินัยหรือบัญญัติศินขึ้นมาเนี่ยท่านจึงตั้งเป็นคำพูดขึ้นมานโอวาทะปฏิโมกตัวนี้แหะขึ้นขึ้นว่าสัพปะ ป, ป, า ป, าปัสสการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุัลสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสัจจตะประโยชน์ปานัง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 ทั้งห้าข้อแล้วโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาว่าขาดสิลมากๆโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนพุ่นวายไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนพุ่นวายยิ่งกว่าคนที่ไม่มีศินที่อยู่ด้วยกันคิดจะสังหัดสังหารกันเหมือนกับพวกสัตว์สารายสิงพวกสิงโตพวกเสื อ, อพวกเสือดาวอยู่ในป่าดงพงพายอย่างนั้นน ะ, ะใครตัวไหนมีอํานาจตัวไหนมีกําลัง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 รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรัว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรัตนะเกิดฌานขึ้นมาจะบอกปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทวนหลังได้นี่แหละก็คือพระพุทธเจ้าตอนหัวค่ําที่ท่านระลึกชาติทวนหลังได้จะบอกปุเพนิวา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 กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทรถ้าหากว่าไม่บริกรรมจะทำให้เผลอให้หลงลืมได้ง่าย เ, เพราะฉะนั้นท่านจึงให้บริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโทรนี่แหละคือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคน